เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้สวดนนะอันดนับส์การเจริญเมตตานะอืมพอมีอันดับส์มากนะสิบเอ็ดประการนะอืมแต่อันดับสองที่ถ้าจะได้อันดับสองมากนะอันนั้นเรียกว่ามันเป็นการเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติเนะี่ยคือมันเป็นเมตตา ในการจะเดินเมตตาที่ได้องค์ฌานนะก็คือว่าเป็นสมาธินะเป็นสมาธิขั้นสูงจากการที่จะเดินเมตตานะอนิสงส1 1ประการนั้นก็เป็นอนันใส์งที่ได้นะอย่างไม่ต้องสงสัยนะเช่นนะหลับสนิทไม่ฝันร้ายนะไม่หลมสติเวลาตายอไนะไรแบน อันนี้คือถ้าได้องชาญได้สมาธินะ mm. ก็จะได้อานิสงค์พวนั้นเต็มที่แต่ถ้าใครยังจะเดินไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะอานิสงค์ mm. ก็ก็น้อยลงมาก็น้อยลงมาแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเดินนะควาว่าเจรเดินแปลว่าการทำให้มากนะหรือว่าการพัฒนานะจะเดินเนี่ยแปลว่าทาให้มากพัฒนาให้มากขึ้น พราว่าที่จริงการเจริญเมตตาเนี่ยมันก็เป็นหรือว่าเป็นการดําริชอบนะในมุมหนึ่งก็ได้มันเป็นการแก้น่ะ์แก้การดําริที่ไม่ชอบอย่างในองค์มรรคเรื่องการดําริชอบเนะี่ยคือการที่ไม่คิดไปในทางกรามนะ ไม่คิดพยาบาทไม่คิดเบียดเบียนการจะริญเมตตาเนี่ยมันแก้สองตัวชั ด, ชดเลยก็คือว่าการที่เราไม่คิดไปในทางพยาบาทนะ่ะพยาบาทคือโกรธเกลียดอาฆาตปองร้ายนะ่ะคนอื่นนะคิดในทางเบียดเบียนก็คือคิดในทางแบบทําให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์หมดเนาะนะนะ อาจจะด้วยความโลภ ก, ก็ได้นะอาจจะด้วยความโลภเช่นอยากได้ทรัพย์เขาก็ไปเบียดเบียนเขาอะไรนะั่นนะหรือหรืออาจจะเบียดเบียนในทางในทางความโกรธก็ได้นะไม่พอใจเขาก็ไปเบียดเบียนเขาให้เขาเป็นทุกนะข์การถ้าเราเจริญเมตตานะมันก็จะลดหรือว่าละนะนะความโกรธความเกลียดนะ ความโลภพวกนั้นลงไปในจิตใจได้ได้เยอะมากนะเหลื อ, อจะหมดไปเลยก็ได้นะมันก็จะเป็นการเจริญเรียกว่าทำให้การนำริชอบเนะี่ยมันมันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นนะเพราะว่าเมตตาก็คือการที่เราปรารถนาดีเนาะหรือปรารถนาให้ให้ผู้อื่นนะได้มีความสุขนะ เป็นการปรารถนาให้เขามีความสุขนะพอเวลาเราดํามดิแบบนี้คิดแบบนี้นะนะอยากให้เขามีความสุขนะอยากให้เขาพ้นจากความทุกขนะ์จิตใจเราเองก็มีความสุขตามไปด้วยนะแล้วพอจิตใจเรามีความสุคนี่แหละความสุขที่เกิดจากการที่เราดํามดิชอบนี่แหละมันจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้ง่าย ทำให้จิตมันสงบมันระ ง, งับนะมันตั้งมั่นได้ดีขึ้นแต่ลองสังเกตดูถ้าเราเมื่ อ, อไรที่เราถ้าเราจิตมันไม่ปรารานดีกับคนอื่นนะนะ ก, กับสิ่งอื่นนะนะเช่นอยากจะไปทำร้ายเขานะอยากให้เขามีความทุกข์นะให้เขานะ เจอผลกรรมอะไรก็แล้วแต่นะหรือบางทีเราอยากจะไดนะ้สิ่งของของเขานะอยากจะเบียดเบีย น, น, นเขาเนะี่ยจิตใจเราเองนะมีความโกรธมีความโลภมีความหลงครอบงมใจเนะี่ยมันก็เป็นความทุกข์ใจเนะีนะ่ยใจก็เป็นความทุกขนะ์เนี่ยอริยมรรคก็ไม่ได้เจริญขึ้นในใจที่ที่ที่ เต็มไปด้วยความโรคความโกรธความหลงนะความทุกข์แบบนั้นนะี่ที่จริงการเจริญเมตตาเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการแก้ที่ความดําลดินะแก้ที่ความคิดตรงๆนะแล้วมันก็จะส่งผลนะทำให้เกิดสมาธินะได้ดีขึ้นนะ้วก็ก็เป็นการเจริญสติต่อไปนะไปด้วยก็ได้นะ แล้วก็มันฝึกไว้นะมันฝึกไว้นะเวลาต่อแผ่เมตตาก็ก็แผ่ไปออกจากใจของเราจริงๆนะหรือคิดหรือมองหรือฟังสิ่งใดก็ให้มีเมตตาประกอบนั่นแหละนะก็จะดีนะเวลาเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากนะหรือเห็นภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นในที่อื่นนะแล้วก็ เนเราก็ปาถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขามีความสุขนะเนเราก็เราช่วยอะไรได้บ้างทางกายทางวาจาเราช่วยได้ก็ช่วยหรือบางอย่างก็อยู่ห่างไกลนะเราได้ยินจากข่าวจากอะไรเราก็ช่วยทางใจเอาแบบนี้ก็จิตแบบนี้จะมีความสุขนะแต่บางทีนักปฏิบัติธรรมหรือบางที แม้แต่พระเหลือแม้แต่คนที่คิดว่าตัวเอง เ, อเป็นคนดีเนาะบางทีได้เห็นข่าวได้นั่นนี่นะที่เช่นในข่าวเขาบอกคนนี้ทําผิดนะเช่นฆ่าคนอื่นหรือรักทรัพย์หรืออะไรก็ได้แต่นะหรือเป็นเรื่องการเมืองนะที่เราไม่ชอบนะเวลาเขามีความเขาได้ เขาได้รับบทลงโทษนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะบาทีเกิดการสะใจก็มี่นี่ยคือความสะใจหรือว่าอืมสาดแข่งอะไรเนะี่ยให้เขาให้เขาได้คลายไปซ้ําเติมนะเรียกว่าง่ายๆก็คือซ้ําเติมหรือว่าสะใจพอใจที่เขาได้รับผลแบบนั้นแล้วไอ้แบบนี้ก็เป็นการเรียกว่า พยาบาทแบบหนึ่งนะไม่มีเมตตาแบบหนึ่งนะอืเราเห็นเขาได้รับโทษนะซึ่งถ้าเขาทําจริงมันก็เป็นโทษที่ก็สมควรนั่นแหละนะแต่จิตที่วางไม่ดีนะจะไม่มีความสะใจไม่มีอะไรก็ก็ยังมีแต่ความปรารถนาให้เขาได้พ้นจากความทุกข์นะปรารถนาให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคือตอนนี้ก็แต่โดยสมมุตินะ ถ้าเขาทําผิดก็ต้องรับโทษตรงนั้นไปแต่ไม่ได้เราสะใจที่เห็นเขาเป็นทุกข์แบบนั้นนะอแต่เราก็มองเป็นกระบวนการเออเพื่อขัดเกลานี้ใสเพื่อเป็นเปลี่ยนแปลงตนเราก็มองก็หวังว่าเขาจะได้มีความสุขมากขึ้นไม่ได้สะใจที่คนนี้ทําผิดนะเราต้องได้รับโทษนะ่มันถึงสะสมสะสมแล้วนะั่นะก็ยังมองว่าคนทุกคนสามารถพัฒนาได้นะ ชนิดพัฒนาได้นะอันนี้ถ้ามองเนี้ยกิตจะมีเมตตานะจะไม่สะสมความโกรธความเกลียดไว้ในใจนะกิตแบบนี้นนะจ ะ, จะเจริญภาวนาได้ง่ายนะเพราะว่าใจมันจะใจมันจะไม่หนักนะใจมันจะไม่หนักใจมันจะปลอดโปร่งโลงสบายขึ้นนะนะเราก็ฝึกแบบนี้นะบ่อยนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องแจ้งว่า จะต้องคิดดีตลอดลนะแต่ถ้าเราฝึกสติประกอบด้วยเนี่ยที่เราฝึกเป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้เรารู้เท่าทันความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มันแทรกเข้ามาได้บ่อยขึ้นนะบางคนอาจจะมีนิสัยเป็นโทสะจริตนะหงุดหงิดไม่พอใจหรือว่านั่นนี่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีไม่ถูกนไม่ชอบทำอะไรเนะี่ย อไม่สมควรนะมันอยาก จ, จะมีความคิดความรู้สึกที่มันตัดสินอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีขึ้นในใจนะอาจจะหงุดหงิดง่ายเราก็ฝึกในการรู้เท่าทันอารมณ์นั่นแหละนะไม่ใช่ว่าจะแส้งว่าไม่ให้หงุดหงิดเลยนะแต่ ถ, ถ้าเรามีสติรู้ทันนะเราจะเห็นความหงุดหงิดก่อนกนะ่อนที่มันจะเป็นความโกรธก่อนที่จะเป็นความเกลียดก่อนที่จะเป็น การจองเวรจองกรรมกันน่ะถ้าเรารู้ทันตั้งแต่เรียกว่ากิเลสที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะเอธรรมชาติของกิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไ ม, ม, ะไม่มันจะไม่แรงทันทีหรอกนะมันจะค่อยๆขึ้นมานทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโรคความโลภเนะี่ยมันจะค่อยๆเหมือนกับกองเหมือนกับไฟนะค่อยๆกองไฟนะ มันไม่ไม่ทีเดียวใหญ่ทั้งบ้านทั้งหลังเลยนะมันก็ต้องไม่เป็นจุดนะแล้วก็ค่อยค่อยลามนะขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะที่มันไหมหมดทั้งหลังเพราะว่าเราไม่รู้ทันมันว่ามันไหมแล้วนะมันก็เลยมอดไปทั้งหลังนะไฟไม่ป่าก็เหมือนกันนะมันเกิดขึ้นมาจากกองนึงแล้วก็ค่อยค่อ ย, อยขยายไปเรื่อยๆนะต่อไปเป็น หลายสิดหลายร้อยไร่่เนี่ยมันก็เกิดจากไฟกองลเล็กนั่นแหละก่อนไฟในใจของเราก็เหมือนกันนะมันก็เกิดจากเรือว่าเราไม่รู้เท่าทันผัสสะนะที่กระทบผัสสะนี้อาจจะเช่นทางหูที่เราได้ยินข่าวได้ฟังเสียงอะไรก็แล้วแต่เกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาเกิดความขัดใจขึ้นมามันก็ค่อยเกิดขึ้น ผัสสะทางตานะเห็นคนนี้ทําไม่ถูกเห็นคนนี้ทําไม่ดีนะก็เกิดความรู้สึกขัดใจขึ้นนรือบางทีก็เป็นผัสสะที่มันผุดในใจเลยนะเอมันเก็บเรื่องราวในอดีตมาคิดอนะไรยเนี้ยมันมาปรุงแต่งในใจโดยตรงเลยเนะี้ยก็มีก็คืออันเนี้ยเรียกว่าการที่เราถ้าเราไม่รู้เท่าทันผัสสะที่มันกระทบนะมันก็จะ ส่งผลกระเทือนต่อไปนะในใจในเรื่อยๆนะนั้นสิ่งที่เราฝึกขึ้นอนะ่ยสติก็คือการที่เราฝึกให้รู้เท่าทันผัสสะที่มันกระทบนะผัสสะนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยแหละนะคือผัสสะที่มันเกิดขึ้นนะ ไม่ว่าจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็คือนี่แหละมันสัมพันธ์กันนะอย่างกายเวลาเดินนะมันก็กระทบนะเช่นบางทีอย่างเดินบินทบาร์เลยนะนะร่างกายกระทบกับหินนะที่แหลมแหลมที่เจ็บเจนะ็บะมันก็คือถ้ามาสักแต่ว่ากระทบนะรู้เท่าทันนะมันก็เจ็บเฉยนะ แต่ถ้าเราดูไม่ทันมันก็รู้ฝึกไม่ชอบนะไม่ชอบที่มันทางมันทําไมไม่เรียบแบบนี้นะตําหนิวิจารณ์นะสิ่งที่มันมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าคิดเอานะใช่ไหมมันอันนี้คือความคิดนะรถติดแบบนี้นนะรถติดเอ้ามันก็ติดแบบนั้นแหละเราจะไปแก้อะไรได้ในตอนนี้นะอืมมันก็คือภัสสะที่มันกระทบเข้ามานะ เรารู้ไม่เท่าทันแล้วก็เกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาอันนี้มันจะเป็นออกไปในทางทางความโกรธนะทางเอาเมตตาไปช่วยแก้ได้หรือบางอย่างถ้าเราไม่รู้ทันมันก็กลายเป็นความหลงนะก็มีน ะ, นะหลงอย่างคำว่าปรารถนาดีนะบางทีอย่างความรักนะก็คือความปรารถนาดีจริงๆนะ แต่ถ้าเป็นแบบรักแบบยึดติดนะมันก็จะเป็นความหึงความหวงทาไม่ได้ดังใจก็จะกลายเป็นความโกรธความเกลียดกันต่อไปเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องปรารถนาดีละมันเป็นเรื่องการเหมือนหวังจะเอาหวังจะไปครอบครองอะไรบบนั้นนะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นเยอะแ ย, ยะมากมายนั่นสติเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากให้เรารู้ท้อทัน พัทธะที่กระทบนะเอเราต้องอาศัยอายตนะทั้งหกนะคือทาวารทั้งหกนะในการรับรู้โลกนะโลกข้างในโลกข้างนอกนะออายตนะเนะภายในอายตนะภายนอกนี่แหละนะเราอยู่กับโลกเราก็ต้องเจอพวกเนี้ยกระทบนะค่อให้ฝึกดูเท่าทันเวลามันกระทบแล้วนะดูทันดู เฉยๆเวลากระทบหรือเปล่านะหรือถ้ามันไม่เฉยนะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นก็ให้เรารู้ทันมันนะไม่ใช่ว่าต้องเฉยทุกอารมณ์นะนะมันแแต่เหตุปัจจัยนะแล้วแต่ใจของแต่ละคนนะจะดิบนิดใสของแต่ละคนนะการจดจำภายในจิตมันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสัญญาที่เราให้ค่านะ อันนี้เราชอบอันนี้ไม่ชอบนะเหมือนอาหารอะไรเนี้นะอาหารมันก็เป็นอาหารนะแต่สัญญาของแต่ตละคนมันชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันนะแบบนี้เราเรียกว่าอาร่อยแบบนี้เราเรียกว่าไม่อร่อยนะคําว่าอาร่อยแล้วไม่อร่อยไม่ไม่มีสากลนะมันมีแต่สัญญาที่เราจดจํานะสมมุตินะที่สมมุติ ในโฆษณาในอะไรในมาตรฐานก็ตัดสินว่าแบบนี้ถึงจะเรียกว่าอร่อยรสชาติดีนะแต่ก็คือสมมุตินะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตามโลกาพิวัติไปเรื่อยก็ได้นะเหมือนผู้หญิงนะสมัยก่อนในจากการเรียนหลังนะอย่างเช่นยกุกน่ะเรียกว่ายุกเรเนซองยกุกสมัยยุกกลางของยุโรปนะ่ะผู้หญิง อ บ, บอวลซะหน่อยเพราะว่าสวยนะแต่สมัยนี้ต้องพร้อมๆเลยเนะต้อง ข, อขาวนะ <ๆ S 1> อะไรมันก็คือสมมติเท่านั้นะนะคือออันนี้เรามองดีๆสมมุติมันก็เต็มโลกนะนะถ้าเรารู้เท่าทันสมมุตินะมันก็จะไม่หลงในสมมุตินะแต่ก็ใช้แบบสมมุตนะนะนะินั้นนะกฎหมายอ่า มาตรฐานสังคมศิลธรรมเนี่ยก็คือสมมตินะแต่เราก็ต้องใช้นะใช้เป็นการฝึกฝนตนนะให้เป็นการฝึกฝนตนให้ลดดะกิเลสสมมติหลายอย่างเนี่ยมันก็ฝึกฝนตนเองได้ดีมากนะหรือสมมติบางอย่างแม้มันไม่อาจจะไม่ถูกศิลธรรมอันนั้นเราก็เราก็ไม่หลงติดนะเพราะว่า เขาว่าถูกเขาว่าดีหรือสังคมเขาว่าอย่างนั้นนะเราก็ไม่ไปหลงตามเขาก็ได้นะเช่สนมสมมติด้านดีนะด้านดีเช่นอะไรนะความกตัญญูกตเวทีนะต่อพ่อต่อแม่ต่อคนมีพระคุณทั้งที่จริงก็ถ้าโดยปัจมัิแล้วก็ก็เป็นธาตุนะตามธรรมชาติด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละนะ หรือสมมติการเกิดมาในโลกนี้ในชาตินี้หรือชาติก่นกอนมันก็มีการเวียนว่ายตายเกิดกันนะสัดับกันไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยากันก็สัดับกันไปมั่วไปหมดแต่สมมุติในชาตินี้นะเราก็ต้องทำให้ถูกสมมุติในชาตินี้นมันก็จะเป็นการเหมือนทำให้เราเออเราทำหนะ้าที่ให้มันถูกต้องนะตามสมควรนะตามสมควร อย่างสมมติความเป็นพระความเป็นโยมอะไรแบบนะี้เป็นพิษุนีนะเป็นแม่ชีเป็นอะไรก็ได้แต่มันก็คือสมมุติอย่างหนึ่งนะแล้วก็ทําให้ถูกสมมุติตามสถานะของสังคมนะอ่แต่เวลาเราเป็นพระเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะสูงด้วยความที่เราได้บวชก่อนหรือเราได้นุ่งจีวรอนะ่รนะมันก็ยังมีประมรดโดยคุณธรรมที่เนี่ ใครสูงใครต่ำใครฝึกดีใครฝึกไม่ดีมันก็มีอยู่นะแต่โดยสมมุติรูปแบบนะโดยชาติชั้นบรรณะต่างๆเนี่ยมันก็คือสมมุติอย่างหนึง่งเราก็ทําให้มันถูกนะทาให้มันถูกนะแต่ทําให้ถูกแบบไม่ยึด ต, ติดนะเช่นพระนะอาจจะอยู่ในสมมุติสังคมที่สูงแต่เราก็ไม่ยึด ต, ติดว่าเราดีเพราะว่าเราเป็นพระ เราได้บวชเนะหรือโยมนะเออเขาลบกราบไหว้พะระก็กาบไหว้ได้ใจนะไม่ใช่แบบอือันนี้อันนี้ก็สมมุติในวาเลยนันะ่นนะเนีก็กาบไปสักแต่ว่ากาบไปนะแต่ถ้าเรากราบได้ใจเนะี่ยมันก็ถึงพัดจริงๆนะอาจจะอใส่พระสงฆ์ลูกลานชาวบ้านนี่แหลนะะแต่เรากราบจริงๆคือเรากราบพระรันตนไตรัยนะ มันก็ถึงประมัดไดนะ้อันนี้สมมุติในด้านดีนะถ้าเราใช้ถูกมันก็เกิดประโยชน์ในการนี่แหละลดระกิเลสนะลดระตัวตนนะอัตตามานะาตา่างๆมันก็ลดลงไปมันก็หมดลงไปได้สมมุติ ด, ด้านไม่ดีนะี่ก็หลงไปนะก็หลไปนะเช่นทางโลกนะเขาก็สมมุติชื่อเสียงเงินทอง เกียรติยศนะตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนะเป็นเรื่องที่ทางโลกเขาให้ค่านะนะเขานับถือให่หมนะแต่ถ้าเราไม่เท่าทันเราก็จะล้มไปกับเขานะล้มไปในชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศต่างๆมันก็กลายเป็นเหนื่อยในการหามาตรงนั้นนะเหนื่อยในการรักษานะมันก็วุ่นวายไป อีกแบบหนึง่งนั้นการมีสตินะต่อไปมันจะไปถลุงไอตัวสมมุติเนี่ยแหละนะตัวสมมุตินะเข้าถึงความปรมัดนะความจริงแท้นะสมมุติก็รู้ให้รู้ให้หมดนะรู้ให้ครบรู้ให้ทั่วนนะรู้นะก็คือทําให้เรารู้ว่าสมมุติที่ควรจะทําคือแบบไหน ไม่ควรทำแบบไหนแต่ก็ไม่ยึดติดคือใจไม่ไม่ยึดติดนะทำศัก์แต่ว่าทำนะทางกายทางวาจานะแต่ทางใจเนี่ยปล่อยวางไปนะปล่อยวางไปเห็นดูว่าเป็นสมมุตนะิแต่ก็ยังทำให้ถูกสมมุติอยู่แต่บางทีนักภาวนาบางทีนะหรือบางคนบางทีมันก็อาจจะไม่บางครั้งมันก็ไม่ต่างจากคนบ้า นะแบบคือที่ไม่เอาสมมตินไม่เอาสมมุติเลยนะมันก็ไม่ถูกนะแต่บางอารมณ์มันก็เป็นแบบนั้นนะมันไม่เอาสมมุติเลยมันก็ไปติดสมมุติอีกแบบหนึ่งติดสมมุติแบบที่ตัวเองไม่เอานี่ยแหละนะทิ้งไปเลยก็เอาก็ผิดแบบหนึง่งเนาะก็ให้เรามีสตินะคอยกำกับนะ คอยกำกับถ้าเราไม่มีสติคอยกำกับนะเมตตานะก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นราคะได้นะหรือบางทีความรักนะถ้าไม่เท่าทันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นความโกรธก็ได้นะความปรารถนาดีนะให้เขามีความสุขนะถ้าเราไม่มีสติคอยกำกับก็จะเกิดความไม่พอใจนะ ทำไมเราปรารถนาดีกับเขาแล้วเราช่วยเหลือเขาแล้วนะเขาไม่ขอบคุณเราเขาไม่ทำตามความแนะนำของเรานะก็จะเกิดความหมงุดหงิดเกิดความโกรธขึ้นในใจได้อันนี้คือถ้า ม, มีสติคอยกำกับนะกุศลนะมันก็จะกลายเป็นอกุศลได้ง่ายเลยแต่ถ้าเรามีสติคอยกำกับอกุศลที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นกุศลได้ เช่นเออเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจนะควมมีสติเกิดขึ้นมารู้เท่าทันความหงุดหงิดดับไปนะเกิดความเห็นใจเกิดความเข้าใจขึ้นมาแทนที่นะอันนี้คือสติเนี่เป็นตัวคอยเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากร้ายนะกลายเป็นดีนะเปลี่ยนจากผิดกลายเป็นถูกนะขึ้นในใจของเรานะรู้เท่าทันนะ สมมตินะมันก็เกิดความมีมุตขึ้นนะเกิดความปล่อยเกิดความวางขึ้นนะในใจของเราได้นะให้เราฝึกสติบ่อยๆนะในทุกในทุกสถานการณนะ์นะโดยเฉพาะนี่แหละการฝึกจริงๆไม่ใช่แค่เราเดินจงกรมเรายกมือตั้งจังหวะอันนั้นเรียกการเป็นการปฏิบัติธรรมในรูปแบบนะอันนั้นเราก็ต้องฝึก แต่ในชีวิตประจาวันเราก็ต้องฝึกรู้เท่าทันอย่างที่ว่าเวลาผัสสะมันเกิดขึ้นมานะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงโพธัณธรรมารมอะไรนั่นแหละคือช่วงเวลาในการฝึกนะรู้เท่าทันผัสสะที่กระทบนะรู้เท่าทันเวทนาที่มันเกิดขึ้นในใจนะความสุขความทุกข์ความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นในใจนะ รู้ท้อทันนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยนะการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยนะให้ถือว่าทุกๆอย่างนั่นแหละคือคือแบบฝึกหัดในการปฏิบัติธรรมนะทำได้ก็ปล่อยนะทําไม่ได้ก็ปล่อยนะรู้ใหม่นะฝึกใหม่ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าเราดีแล้วเราเก่งแล้วเราพอใจแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติแล้วนะ ดีแล้วพอใจแล้วเก่งแล้วก็ยังต้องปฏิบัตินะยังไม่ดียังไม่เก่งยังไม่พอใจก็ปฏิบัติต่อเหมือนกันนะนะก็ฝากไว้ครับนะ